พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสี่พระสูตรที่สองปัญจัตยสูตรสูตรว่าด้วยความเห็นห้าประการที่จัดเป็นประเภทได้สามพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนาวรามตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงสมณพราหมณ์บางพวกที่มีความเห็นปรารบส่วนสุดเบื้องปลายหมายถึงเมื่อตายคือ 1. อัตตาที่มีความจำได้หมายรู้ย่อมไม่มีโรคหลังจากตายแล้ว 2. อัตตาที่ไม่มีความจำได้หมายรู้ย่อมไม่มีโรคหลังจากตายแล้ว 3. อัตตาที่มีความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ไม่มีความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ย่อมไม่มีโรคหลังจากตายแล้ว 4. บางพวกบัญญัติความขาดศูนย์ของสัตว์ที่เป็นอยู่ 5. บางพวกบัญญัตินิพพานในปัจจุบันสำหรับคำว่านิพพานในปัจจุบันพระพุทธศาสนาก็แสดงถึงเหมือนกันแต่ในที่นี้หมายถึงเข้าใจผิดว่าความสุขบางชั้นเช่นสุขในกามสุขในฌานว่าเป็นนิพพานในปัจจุบัน รวมความเห็นทั้งห้าประการนี้จะได้เป็นสามประเภทคือหนึ่งบัญญัติตนว่าไม่มีโรคหลังจากตาย 2. บัญญัติความขาดศูนย์ของสัตว์ 3. บัญญัตินิพพานในปัจจุบันครั้นแล้วส่งแจกจ่ายรายละเอียดแห่งความเห็นหประการนั้นและตรัสสรุปในตอนท้ายว่าตถาคตรู้เท่า เห็นความถอนตัวจากความเห็นนั้นๆได้จึงก้าวล่วงความเห็นนั้นแล้วได้ส่งแสดงถึงความเห็นปรารบเบื้องปลายและความเห็นปรารบเบื้องต้นแล้วชี้ให้เห็นว่าตถาคตมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นหลุดพน้นหรืออนุปาถาวิโมก